ก็ได้ปรารถนามาด้วยกันในขาดศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตั้งความปรารถนาให้เป็นคู่แต่ก็ได้รับพยากรว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยแหละคู่นี้แหละสามีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าภรรยาก็จะเป็นอัครมาเหสีในชาติสุดท้ายพิมพายโสธราเป็นคู่บรารมี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 ขับไล่ให้หนีไม่ให้อยู่เพราะว่าบริจาคช้างมงคลของประเทศออกจากเมืองอทำอย่างนี้จิบหายบ้านเมืองอไม่ควรจะทำอย่างนี้พระเวทฉลองเอานี้กว่านี้แต่นางมัตชีเนี่ที่เป็นคู่รักมีลูกน้อยสองคน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 อูตามลําบังไม่ได้อันนี้ก็คือลูกลูกของเราทั้งสองเราต้องออกไปด้วย เ, เนี่ยนางมัตชีถือยังไงเท่ากับทุกยังไงทุกยากยังไงก็ต้องไปนี่นะผลในสุดพระเวชจันทรอนกับนางมัตชีก็อุอ้มลูกคนละคนพระเวชจันทรก็อุ้มลูกชายคือชาลีแล้วก็อุ้มกันหา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 ขอไม่เลือกหนาขอไม่แย้มขอไม่อายขอไม่ลุกไม่กจาั ก, การละเทศะในเมื่อเข้าไปขอพระเวชชันดอนอยู่ในป่าพระเวชชันดอนก็ไม่มีอาจจะให้ขออะไรขอลูกพูนะพระเวชชันดอนรักแสนรักไม่ใช่ไม่รักลูกนะรักแสนรักแต่ก็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 พระเวชนนท์ยังพูดให้ฟังว่าบริจาคไปแล้วบริจาคลูกให้แก่พราหมณ์นางบัญชีก็ไม่รู้จะทำยังไงอนุโมทนาด้วยความจำเป็นจำใจเฉพาะในงินมันทานบริจาคไปแล้วนะแต่ทียังไงพราหมณ์คนนั้นก็ซัดเซพเนจรหลงทิศหลงทางเข้าไปเมืองหลงเข้าไปในเมือ ง, ง, ไไองกรุงศนชัยอีกแต่ไห น, น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 รักกันมองไปข้างหน้าถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วใครจะพึ่งพาอาศัยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกัสามีภรรยานั่นแหละเป็นผู้ดูแลพึ่งพาอาศัยกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศานายาตเขาก็ห่างไปแล้วเขาจะดูแลเรายิ่งกว่าครูของของเราได้อย่างไรพระนั้นถ้าเราคิดดูให้ดี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 มีแต่ทําการทํางานมีแต่เก็บหอมรอมริบเนะี่ยไม่เอาเอเราต้องหาความสุขใส่ตนเองให้ได้ให้มากที่สดุดอันนี้เพราะว่าสุขคัดสาสะนันตารางทุกข์ขัอสมัยเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มมีความสุขแต่เมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วนะั่นแหอะไม่มีเงินนะท่านนี่ยพอเห็นอะไเพรา ะ, ราะไม่ได้เก็บหอมรอมริบเมื่อเท่าแก่มาแล้วนะเนี่อตกทุกข์ได้ยาก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 ไปอยู่ในเปลือกตมที่แห้งอยู่ในกลางดงเวลาจะบินไปที่ไหนก็บินไม่ได้เพราะหมดสภาพก็อยู่ในเปลือกตมแห้งมีแ ต, ต่เขียดตักะแตนมันบินมากันวิ่งรุดร ด, ด, ด, ดไปเพื่อจะไป ไ, ไปฆ่าไปเขียด ต, ตะกะแตนกินตักะแตนก็มันก็ไม่มาใกล้แถว น, นั้นนีกจะไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะอหไรเพราะหมดกาลัง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 เอออย่าไปหันความชั่วโลภโมโหโกโธาเข้าหากันเอาความดีเข้าหากันจะอยู่ได้นานถ้าเอาแต่กีเลตตั้นหามารนณะทิฏฐิเข้าหากันอยู่ไม่ได้นานนระกนี่นะถ้าระ ล, ลึกถึงความตายอีกสักวันหนึ่งข้าไปจ้าต้องจะต้องหนีจากกันอยละละประกอบคุณงามความดีเนอะเราเนอะสร้างบา ร, รมีเนอะเพื่อเกิด พ, พบนาชาตินาเราจะได้ไปพบไปเจอกันอีก พเราสั่งสมบารมีไปด้วยกันแต่าว่าไม่สั่งสมบารมีไปด้วยกันไม่ได้ไปนคนละทิศทางนะถ้าสามีบอกว่า mm hmm. เออป่อไปทำบุญเถอะ อ, อ, อยากติดบ้านติดเลือนติดลูกติดหลานกิจอะไรก็ไม่รู้ไป่จะไปก็ไปซะไม่ไปหรอกผัวที่สูตรก็บผัวไปบางทีก็นะ บางทีของเมียเขามาวัดไปทาบุญทาทานปะไปพอบ้านไปบ่ไปตีก๊อฟกับเขาอยู่วันนี้นัดน้นัดนี้ออกนอกลูก่นอกทางไปหากินเหล้าเมายาสมเรลเทเมาก็มีมากต่อมากเหมือนกันในครั้งพระพุทธเจา้าผลในสุดพูดพูดไปทาบุญไปเป็นเศรษฐีใช่นี่เพราะคนทาบุญมันก็ต้องไปไปได้ดีใช่ไหมตัวเองนอนไปเกิดยุนคนเป็นคนป่าเ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 ไปรักษาศีลไปหิวไปโหยไม่เชื่ออีกต่างหากในส่วนใจลึกๆนะทางพ่อบ้านก็เออไปอไปรักษาศีลไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปนั่งภาวนาไปปฏิบัติพอในสุดเกิดมาก็ต่างกันอีกเลยก็เหมือนหลวงปู่ชอบว่านะหลวงปู่ชอบท่านไปนั่งภาวนาท่านหลวงปู่ชอบใครก็รู้ว่าท่านได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลท่านรู้อดีตอนาคตพอสมควร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 อมาเตะขาหลวงปู่ชอบเหมือนนเอะเออเตะเอาเตะเอาเตะเอาเออหลวงปู่ชอบบอกโอ้เออมันไก่ตัวนี้เองเป็นคู่บา ร, รมีของเราเนี่ยที่มันมาเขา้ามาเข้านิมิตเมื่อคืนนี่น่ะเออเอาเตะสิพอเตะไปแล้วมันกน็มันก็วิ่งไปหาลูกของมนันทัะกะะะกะะัะกทักตักกักทักทักกักทัก มันก็คงจะบ่นในใจเอาดีแต่ตัวเนี่ไม่เอาใครไปด้วยเออทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเออมาด้วยกันทำไมไปปล่อยปาละเลยอย่างนี้เออหลวงปู่ชอบจะทำยังไงได้ชักส่วนไปหาคุณงามความดีไม่ไปมีแต่จะไปหาแต่ความชัว่วเออมีแต่ไปหาแต่ความเร็ว เ, เราก็ไปตามของเราสิเราก็หมดกิเลสได้ตัดกิเลสไ จะไม่อยู่ทําไมในโลกนี้มันทุกขนะ์น่ะนี่แหละอันนี้ก็คือในปัจจุบันในหลวงปูค่ครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังพว น, นการไปสร้างบุญสร้างกุศลนะต้องไปด้วยกันนะถ้าหากว่าเมียไปเมียรวยอนะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีผู้ผัวไม่ไปกัไปหาแต่ตีก๊อไปหาแต่เล่นไพ่ไปหาแต่ตีไก่ไปหาแต่เล่นไฮโล ไปหาแต่ตกแห่ตกเบ็ดไปหาแต่เฝ้าสะปลาเนี่ยผลที่สุดก็อย่างนั้นแหละเกิดมาเกิดเป็นคนทุกคนยากเพราะไม่ได้ทำบุญทาทานอนุโมทนากันได้อยู่อนุโมทนานหน่อยนึงได้ได้นหน่อยนึงแต่ไม่ได้มากฮจะให้เสมอกันเหมือนกับคนไปด้วยกันไม่ได้หละเพราะอนุโมทนากบุญอนุโมทนาทานก็ได้อยู่นี่แหละ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 พระมหากัสถะก น, นางพัฒกาพิรานีพอมาชาติสุดท้ายก็ได้บวช ด, ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้ากนางพิมพายาโฉสลาก็เหมือนกันท่านก็ได้เป็นภิกษุณีได้สำเร็จเป็นพระอรหันด้วยกันนี่แหละมีมากมายในพระไตรปิฎกที่ท่านได้กล่าวเอาไว้น ะ, ะตอนน่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะ่ารับพร